สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากรศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อพระเยซูตอนที่เก้าสิบหกนะครับชีวิตพระเยซูตอนที่เก้าสิบหกพระพรประการที่สองนะครับหรือความสุขประการที่สองก็คือโศกเศร้าเราลมโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้านะครับมัทธิวบทที่ห้าข้อที่สี่ครับบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลมบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลมบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลมมัทธิวบทที่ห้าข้อสี่นะครับนี่เป็นพระพรหรือความสุขประการที่สองนะครับนี่เป็นบียดิจูนะครับประการที่สองคำว่าโศกเศร้านะครับ <c oughs> มีความหมายมากกว่าการเสียใจนะครับเสียใจในความผิดความบาก เป็นความเศร้าโศกเสียใจมากมายทีเดียวที่คนคนนั้นได้ทำบาปเพียงครับเราจะเห็นนะครับว่าพรแปดประการหรือที่เรียกว่าพรเก้าประการในบางคำราชนะครับเราจะใช้คําว่าพรแปดประการบวกหนึ่งนะครับหรือพอรแปดบวกหนึ่งจริงๆแล้วพรแปดบวกหนึ่งที่เรากําลังเรียนรู้นะครับในแปดเก้าวันที่อยู่ข้างหน้าเหล่านี้นะครับ พรแต่ละประการเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันครับเมื่อวานนี้เราเรียนพรประการแรกแล้วนะครับว่าใครก็ตามที่รู้สึกบกพร่อ ง, องฝ่ายวิญญาณ <c oughs> เขาจะได้ครองแผ่นดินครับเขาจะได้แผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกนะครับเกี่ยวเนื่องกับประการที่สองซึ่งเป็นพรในวันนี้ก็คือพรที่เกี่ยวข้องกับการที่เขาเริ่มนะครับ เริ่มที่จะรู้สึกเบิกพ่องฝ่ายวิญญาณแล้วจะเกิดความต่อเนื่องกันก็นกคือเขาจะโศกเศร้าในความบาปหรือพูด ง, ง่ายๆก็คือเสียอกเสียใจนะครับเป็นความเสียใจที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะครับพรประการที่สามต่อไปก็คือพอที่มีใจอ่อนโยนมันก็จะเป็นลำดับต่อเนื่องกันไปนะครับเป็นขั้นบันไดเหมือนกับบันไดสเต็ปที่หนึ่งก็นําไปสู่บันไดสเต็ปที่สอง นะครับนำขึ้นไปเป็นเสด็จที่สามครับบางกตำราก็เรียกว่าเป็นปีระมิดแห่งพระพรนะครับนะครับเป็นปีระมิดแห่งพระพรเป็น the พ y r a m i d of blessing นะครับก็คือเป็นความสุขแปดบวกหนึ่งนะครับขึ้นไปเป็นปิระมิดปิรามิดปิรามิดนะครับเป็นชั้นชต่อขึ้นไปนี่นะครับพอผมพูดอย่างนี้พี่น้องจะเริ่มเห็นภาพนะครับว่าพรแปดประการหรือพรแปดบวกหนึ่งนะครับที่อยู่ต่อหน้าเรานี้ ก็เป็นสเต็ปนะครับขึ้นไปเรื่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนที่มีเรื่องสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าพระพรอยอย่างที่สองเนี่ยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความโศกเศร้าที่เกิดจากความรู้สึกเศร้าเสียใจนะครับในความผิดความบาปในภาษากรีกนะครับใช้ในข้อนี้หมายถึงความทุกโศกหรือความเสียใจอย่างหนักทีเดียวครับผู้ที่ประสบกับความทุกขยากหรือทุกโศกนะครับขณะเนี้นะครับจะต้อง ไม่อยู่เฉยๆครับนะครับไม่รู้สึกคาว่าไม่ใช่คาว่าเสียใจเฉยๆนะครับเหมือนกับคนบางคนที่พอเวลาเขาทำอะไรผิดแล้วก็แค่ขอโทษแล้วหายกันนะครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพื่นความรู้สึกโศกเศร้าทุกเสียใจอย่างหนักนะครับและผู้ที่ประสบกับความทุกโศกแบบนี้ครับจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขครับเพื่อแก้ไขความโศกเศร้าของตัวเองนะครับแปลได้อีกอย่างหนึ่งครับว่า คริสเตียนที่ห่วงใยความยากจนฝ่ายวิญญาณจนกระทั่งนะครับเกิดความโศกเศร้านะครับเครียดจัดและเขาต้องการแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลมปลุกประโลมที่มาจากพระเจ้าและในที่สุดนั้นชีวิตเขาก็จะได้รับความสุขได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าในมัทธิวบทที่สานะครับ ขอโทษครัในวัตถุบที่หข้อที่สานะครับได้พูดถึงความยากจนฝ่ายวิญญาณในข้อนี้พระเยซูทรงสอนให้เรารู้นะครับว่าการตอบสนองอย่างถูกต้องกับความยากจนฝ่ายวิญญาณก็คือเราต้องแก้ไขความบาปที่ทําให้เกิดความยากจนขึ้นครับเห็นไหมครับพี่น้องครับว่าพระพรประการที่สองนี้เกี่ยวเนื่องกับประการแรกครับบุคคล น, นั้นนะครับจะต้องสํานึกหรือรู้ตัวว่าเขายากจนฝ่ายวิญญาณที่ก่อนครับนะครับ ประการที่สองก็คือเขาจะต้องรู้สึกเป็นห่วงใยอย่างแท้จริงห่วงใยจริงๆครับที่จะแก้ไข <c oughs> ที่อยากจะแก้ไขความถูกต้องนะครับความบกพร่องฝ่ายวิญญาณให้กลายเป็นความถูกต้องนะครับความขาดแคลนฝ่ายวิญญาณความยากจนฝ่ายวิญญาณนั้นให้กลับมาอยู่ในถังที่ถูกต้องที่ดีเพราะฉะนั้นเราอาจจะแปลข้อความในภาษาอังกฤษว่าการจะได้รับการปราะประโยชน์นั้นเปราะประลประโลมนั้นก็หมายถึง ความหมายภาษากรีกก็คือการเข้ามาอยู่ข้างๆครับมาอยู่เคียงข้างซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากใช่ไหมครับเวลาที่เรารู้สึกโศกเศร้าพระเจ้าจะอยู่ข้างๆเราครับเขาหรือเราจะได้รับการปลอบประโลมการปลอบประโลมนั้นภาพของการปลอบประโลมก็คือการเข้ามาอยู่ข้างๆในภาษากรีกครับเป็นภาพที่งดงามจริงๆครับซาบซึง้งเมื่อพวกเราได้คิดถึงว่า เมื่อไหรก็ตามนะครับที่คนคนหนึ่งนั้นมีความรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณยากจนนะครับยากจนฝ่ายวิญญาณนะครับแล้วก็เขาสึกโศกเศร้าเสียใจว่าเอ๊ะทำไมเขายากจนขนาดนี้อ๋อเพราะว่าความบาปนั่นเองนะครับทําให้เราต้องพึ่งในพระเจ้าเมื่อเราพึ่งในพระเจ้าแน่นอนครับนะครับพระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าจะมาปกป้องคุ้มครองพิชิตอารักษขาเรา ในการเดียวกันครับพระเจ้าก็จะมาข้างๆเรานะครับพระองค์จะเอาพระหัตของพระองค์อบเราไว้ครับพระหัตของพระองค์นั้นคขำจุนเรานะครับพระหัตของพระองค์นั้นเป็นพระหัตแห่งความรักความเมตตาครับทําให้เราทั้งหลายได้รับการปลอบประโรมพี่น้องครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมทุกสิ่งที่จําเป็นให้กับเราเสมอรวมทั้งทําปลอบใจการปลอบประโลมความอบอุ่นที่ได้มาอยู่ข้า ง, างๆองค์พระเยซูคริส ถ้าทฤษฎีเราไม่ได้โศกเศร้านะครับเขาจะไม่ได้รับการปลอบประโลมครับการอวยพรหรือความสุขข้อนี้คือการปลอบประโลมที่พระเจ้าให้กับเรานะครับไม่ใช่มนุษย์ให้กับเราครับและการปลอบประโลมที่พระเจ้าให้กับเรานี้เกิดขึ้นโดยการที่เราเป็นประชากรข อ, ของพระเจ้าครับการที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเราตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่เป็นความหมายที่มาจากคําว่าอิมมานูเอลพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา นะครับพระเจ้าสถิตอยู่กับประชากรของพระองค์พระเจ้าสถิตอยู่กับทุกๆคนที่มีจิตใจโศกเศร้านะครับเสียใจที่ตัวเองทําบาปปรารถนาที่จะแก้ไขชีวิตของตนนะครับปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นปรารถนาที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เหมือนอย่างพระเจ้านะครับ God like นะครับ God like ก็คือเหมือนอย่างพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้อง เรียนรู้ในชาวันนี้อย่าลืมนะครับต้องเริ่มต้นด้วยความรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณก่อนนะครับเราถึงจะได้แผ่นดินสวรรค์มาครองหลังจากนั้นนะครับเมื่อใครก็ตามที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณนะครับหลังจากที่เขาได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วเขามีความเสียใจในความบาปเขาจะต้องต่อสู้กับความบาปเขาต้องดิ้นหลนต่อสู้กับธรรมชาติบาปที่กําลังตายอยู่ในตัวเขาชีวิตของเขานั้นจะต้องโศกเศร้าเสียใจครับเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวเขาพลาด หลายหลาครั้งทีเดียวเนี่ยเขาเอาชนะไม่ได้แต่ไม่ต้องกลัวครับพระเจ้าพระเยซูเป็นที่พึ่งให้เราพระเจ้าจะนําการปลอบใจนะครับมาถึงเราในเบื้องต้นพระเจ้าจะนําการยกโทษให้อภัยบาปมาถึงเราพระเจ้าจะช่วยเรานะครับว่าอย่าเสียใจเลยนะจากบทเรียนที่เราผ่านมาในแต่ละวันแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเราจะทําผิดทําบาปด้วยความคิดคําพูดการกระทำนะครับพระเยซูไม่เคยปลีรอ ที่จะไม่ให้อภัยเราพระเยซูไม่เคยลีลหรือช้าในการที่ให้อภัยเมื่อเรารู้สึกเสียใจเมื่อเรารู้สึกเข้าโศนครับพระเยซูจะอยู่ด้วยพระเยซูจะมีพระหัตของพระองค์ที่ช่วยเราตลอดครับเป็นพระหัตของพระองค์ที่อบอุ้มเราเป็นพรภาพของพระองค์ที่สวมกอดเราเป็นพระหัตของพระองค์ที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาพี่น้องครับอย่าอายอย่ากลัวที่จะเข้ามาถึงพระหัสนี้อย่าอายอย่ากลัวที่จะเข้ามาถึง ถ้า พ, อพอรประการที่สองนี้เมื่อใครก็ตามที่รู้สึกโศกเศร้าฝ่ายวิญญาณเขาจะได้รับการแลวลมครับพระเจ้าจะมายืนอยู่ข้างๆเรานะครับเป็นภาพที่สวยงามที่สุดในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรและเมตตาพี่น้องที่รทุกท่านนี่คือเงื่อนไขแห่งพระสัญญาครับถ้าใครก็ตามที่รู้สึกโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลมจากองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้บป็นเจ้าของเราอย่างแน่นอนอาเมน